4. ถ้ารู้ทันสภาวะแล้วไม่ติดวงเล็บเปิดยีพฤศจิกายน2550นาในวงเล็บสองจุดจุดนาที38วงเล็บปิดภาวะใดๆที่เราภาวนาแล้วเราจะติดหรือไม่ติดนี่อยู่ที่ว่าเรารู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้าภาวะใดเกิดขึ้นแล้วเราพอใจเรารู้ว่าพอใจไม่ติดหรอกถึงมันจะมีอยู่ก็ไม่ติดมันจะอยู่3วันสามคืนก็ไม่ติดถ้ายินดีแล้วไม่รู้ว่ายินดี ยินร้ายแล้วไม่รู้ว่ายินร้ายติด